ไปอ่านแล้วคิดสิเขาไม่ได้เอาไว้อ่านแล้วให้คิดให้อ่านเฉยๆเขาให้อ่านแล้วคิดคือในหนืไม่ได้บอกหลังเลยว่าจะอยิงเซนนะเาพยายามต้อนให้เราหยุดคิดเพราะอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้แต่เราพยายามทาให้ได้แสดงว่ายังโดดต้อนไม่พออย่าไปอย่าไปทา เดี๋ยวจิตคงร้านเอาโยมคนไหนจะส่งกันบ้านเชิญอาว่ามา ขึ้นมาบังคับไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วพอเราสักว่ารู้สักว่าเห็นเขาก็เกิดเขาก็แสดงไตร ล, ลักษณ์ให้ดูเกิดแล้วก็ดับไปแต่เขาจะดับหรือไม่ดับมันเรื่องของเขาเราไม่ได้ฝึกให้ดับนะเราฝึกให้รู้ตามที่เขาเป็นเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ไปอย่างไม่แทรกแซงมือกบได้ลอยแล้วมือกบ เออนะทำให้สบายนะเออนะแต่ว่ามันตั้งโดยเราไม่ได้เจตนาหรอกแต่ว่าเมื่อไรสติเราไประลึกรู้สภาวะที่กำลังปรากฏได้จริงจริงทันทีที่สติไประลึกรู้นะจิตจะเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุข และจิตมีความสุขจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตจะตั้งมั่นจิตจะเกิดปัญญานะเห็นว่าสภาวะที่แปลกปลอมทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่แปลปลอมเข้ามาผ่านมาเราก็ผ่านไปไ อ, อ, อ, นอ่ะ ไ, ไ, ไม่เป็นไรนั่นแหละอย่างนั้นแหละดีแล้วนะถ้ายังเป็นอย่างนี้แสดงว่าเรายังทำสมาธิมาก่อนแล้วจิตมันจะตั้ง เป็นผู้รู้ผู้ดูนีเป็นสองงานอ่า <approaching> ก็อย่างนั้นแหละถูกแล้วนะอย่าคิดเยอะนะดูไปดูต่อไปคิดมากยากนานทำมากง่ายจะตายอย่าไปคิดมากรู้สึกเอารู้สึกไปเรื่อยๆนะอะไรแตลกปลอมเข้ามาในใจก็คอยรู้เรื่อยๆนะือ ไม่อยากเห็นให้รู้ว่าไม่อยากไม่ใช่ไปรู้ว่ามีนิมิตไม่มีนิมิต ท, ที่ใจไปสร้างขึ้นมาหรือใจไปเห็นเนี่ยกับรูปที่ตามองเห็นก็มีค่าเท่ากันคือเป็นอารมณ์ของจิตเท่านั้นเองเมื่อจิตไปรู้อารมณ์ใดๆแล้วเนี่ยจิตมันเป็นยังไงหวั่นไหวยิดียินลายรู้ทันมันงั้นนิมิตเกิดขึ้นใจไม่ชอบ รู้ว่าใจไม่ชอบไม่ต้องดูที่นิมิตนะดูที่จิตเหล่านี้จิตไม่ชอบหรือไม่อยากให้เกิดรู้ที่ไม่อยากนี่เพราะงั้นมันจะเกิดหรือไม่เกิดนะั้นไม่มีความหมายอะไร ของแปลกปลอมใจอยากดูนิมิตรู้ว่าอยากดูนิมิตอันนี้ดีกว่านะให้ดูดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจของเราอย่ามัวแต่ดูของนอกๆ น, นิมิตเป็นของภายนอกทของหลอกหลอก แล้วตอนนี้สมมติว่าเราดูจิตใจของเราได้นะเอาตรงนี้ก่อนนะงานตรงนี้สำคัญกว่าทำตรงนี้ก่อ น, นเพราะงั้นพอเราดูจิตใจเร า, เาแล้วพอสมควรแล้วเราจะเลิกละเร่งนี้ก็ค่อยแผ่ ใช่ใช่เราไม่ตั้งท่าเลยนะแท้จริงแล้วการดูจิตก็พูดไปอย่างนั้นเองอนะ่ะเราไม่ได้ดูจิตอะไรจริงจังหรอกเรารู้สึกตัวนะกายเคลื่อนไหวเราก็รู้จิตเคลื่อนไหวเราก็รูนะ้งั้นถ้าเราจงใจไปดูอย่าไปจ้องไว้ก่อนเนี่ยพวกนักปฏิบัติจะพลาดคือพออยากจะดูเช่นอยากรู้กาย อ, อยากรู้กายก็ไปนั่งจ้องรอดูว่าเมื่อไรอะไรจะเกิดในกายนี่ก็ผิดนะไปดักไว้ก่อน ต้องตามรู้เอาร่างกายเคลื่อนไหวเมื่อกี้พยักหน้าทราบไหมเมื่อกี้นี้พยักหน้านึกออกไหมออยังตั้งใจฟังต่ออยู่นะ <c ười> คือบางทีบางคนนะแค่พยักหน้าหลวงพ่อบอกรู้ไหมพยักหน้าแนละ้วเขาตามระลึกได้ว่าเมื่อกี้พยักหน้านะเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาละของคุณมันยังไม่รู้สึกขึ้นมา อย่างคิดไม่เลิกรู้สึกไหมใจเรายังตั้งใจฝังมากเลยรู้สึกไหมมันก็หนีไปคิดอ่าอ่าไม่เป็นไรต้องช้านะให้มันหลงไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่าหลงแล้วอย่าไปดักไว้โดยเฉพาะการดูจิตเนี่ยจะเป็นการตามรู้ตามรู้จริงๆ คำว่จิตตานุปัสสนาเนี่ยคือปัสสนาคือการรู้อ น, นุบววตามตามรู้จิตเช่นเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอโลภไปก่อนรู้ว่าโลภนะอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมมันรู้สุดกลับไปกลับมาอะไรกลับไปกลับมามกลับไปกลับมาก็คืออย่างเวลาหลวงพ่ อ, อ, อพูดย่อมต้องคิดใช่ไหมคะมายอมคิด ก, ก็มาอยู่ที่คิดพอหลวงพ่อบอกว่าพยัหน้ารู้ไหม พอเราไมารู้เนี่ยเราไม่ได้รู้ตอนที่กับพยักหน้าแต่ตอนนั้นเรากำลังคิดอยู่แต่ทีนี้พอพอพอพอนึกขึ้นมาได้เอ้ยตอนนั้นพยักหน้าแต่มันก็ผ่นไปแล้วไม่ตอนนี้มันอยู่ปัจจุบันอ่เสร็จแล้วมันจะขึ้นปัจจุบันใหม่เลยตรงที่เราผิดคิดเนี่ยเราตกจากปัจจุบันนะเพราะงั้นอย่างที่อาจตมาแกล้งถามพยักหน้ารู้ไหมนะพอเราระลึกได้ปุ๊บมันจะขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันนะเพราะงั้นวิธีที่จะทําให้เกิดสติเนี่ยคือการตามรู้ นะในสติปัฏฐานจึงเริ่มต้นด้วยคําว่าตามรู้ตามรู้ทั้งหมดเลยกายยานุปัสนาตามรู้กายกายเคลื่อนไหวรู้ว่าเคลื่อนไหวอันนี้ยังไม่ทําให้เกิดวิปัสสนานะนี่เป็นแค่ขั้นต้นทําให้เกิดสติเกิดความรู้สึกตัวนะให้ใจอยู่กันนกบเนื้อกตัวนี่คือสัมมาสมาธิแต่หลังจากนั้นพอเราจิตใจเราอยู่กับเ น, นื้อตัวแล้วเนี่ยเราจะเจริญปัญญาคราวนี้รูปนะรูปเนี่ยรู้ลงปัจจุบันแต่จิตเนี่ยยังเป็นการตามรู้เหมือนที่เคยตามรู้มา นะเพราะจิตเนี่ยจะดูลงปัจจุบันไม่ได้อย่างตอนนี้ส mm hmm. ังเกตไหมฟังอาตมาพูดฟังไปคิดไปถ้าเดี๋ยวฟังไปคิดไปก็สังเกตแต่บางทีฟังแล้วเราไม่ได้คิดก็คือเราได้ยินแต่เป็นเสีย ง, งเฉยเขาคุณยังติดกำหนดอยู่น ะ, ะยังไปกำหน ด, หนดกำหนดเสียงนะแต่ตมันรู้ของมันเองเราไม่ได้ไปคิดกดับมันคือเราเร า, เรากำหนดมาจนชินะนะ พอกำหนดซุปมันจะอยู่ตรนี้เลยได้ยินแต่เสียงนะแท้จริงแล้วการที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญอายตนะบพะในสติปัฏฐานธรรมานุภัสนาเนี่ยไม่ได้หยุดตรงแค่เสียงกระทบหูนะท่านบอกว่าเมือม่อเมือม่อเมือม่อหูได้ยินเสียงเนี่ยความยินดีน ย, นยินร้ายหรือสังโยชน์ใดๆเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันนั้นแต่ถ้าเราไปตัดตรงหูปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้แล้วอะเราไปเราไปบล็อกมันแล้วทีนี้สมมติว่า ถ้าเราสามารถดูได้ทั้งกายเวทนาจิตได้ไดมันิไปอยู่ตรงไหนก็ดูตรง น, นั้นใช่ใช่<ๆ>นะคือจริงๆแล้วก็คือถ้าง่ายที่สุดเลยนะก็คือมีสติอยู่ตลอดเวลานะมีสติทุกวิริยบทมีสติทุกๆเวทนาที่เกิดนะแล้วที่งที่สุดที่มันมั่นคงเนี่ยต้องจับอะไรไหมไม่จับไม่จับเลยดูไปเรื่อยๆนะถามว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดในเรียนอภี่ทรมไหม เหตุใกล้ให้สติเกิดคือการที่จิตจํจสรรรราสภาวะได้แม่นนะไม่ใช่เกิดจากบังคับให้เกิดงั้นพวกเรานักปฏิบัติจะพลาดอย่างร้ายแรงเลยเราพยายามบังคับสติให้เกิดนะหรือพยายามบังคับไม่ให้ตัวเองเผลอบางคนเดินจงกรมพยายามกระแทกแรงๆจะไม่ให้เผลอนี่ทําด้วยโลภะลนะงั้นในขณนะนั้นขาดสติแน่นอนเลยพราะจิตมีโลภะนะีน่วิธีทํายังไงให้สติเกิดหัดรู้สภาวะเนืองเนื่อง หัดรู้กายเนืองเนืองเรียกกายญาณุปณัสสนารู้จิตเนืองเนืองเรียกจิตตานุปัสสนาหัดรู้เนืองเนืองหมายถึงว่าเขาเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปแกล้งทาขึ้นมาชนะเช่นท่านสอนอย่างนี้นะครูเจ้าท่านใช้เวิร์ดดิอย่างนี้เลยบอกว่าพิสูจทั้งหลายนะให้เธอมีความรู้สึกตัวนะเริ่มต้นรู้สึกตัวนะคืออย่าใจลอยไปกนะายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นให้รู้นะไม่ใช่ให้เพ่งนะ ของเราเนี่ยเริ่มต้นไม่ค่อยรู้สึกตัวใจลอยนะพอนึกอยากปฏิบัติก็นั่งจ้องไหมนังน่งเฝ้านั่งเชิงนั่งกําหนดสติไม่ได้แปลว่ากําหนดนะนะรุ่นหลังๆเนี่ยเราไปแปลสติว่ากําหนดซึ่งพระไตรปิฎกไม่ได้แปลอย่างนั้นสติคือความระลึกได้นะคือความรู้สึกตัวใช่ไหมถือว่าพอเรารู้สึกตัวก็แค่นั้นคือในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยองคธรรมฝ่ายกุศลจำนวนมากเกิดขึ้นนะไม่ใช่มีแต่ตัวสติหรอกนะนะ อย่างความรู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปนี่ก็คือตัวสัมมาส ม, มาธินะการที่สติอะไรแปลกปรอมเข้าทางกายทางใจสติระลึกได้โดยไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจไม่ได้อยากจะดูแต่มราระลึกได้เองนี่คือสติตัวจริงนะแต่สติที่จงใจไปดูอันนี้เจือด้วยโลภะไม่ใช่สติหรอกห น, ะนีไปคิดทราบไหม ใจหนีไปคิดแมบให้รู้ทันว่าหนีไปคิดให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วต้องไม่ทันต้องไม่ทันนะต้องไม่ทันนะหมายถึงเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอเป็นิปั๊บเนี่ยมันก็สเข้าไปอยู่ในบัญญัติละไปอยู่ในบัญญัติแล้วแต่ว่าพอมันึุดเรารู้แล้วเราก็กลับมาอย่าดึงคืนมานะจะมาเทียบให้ฟังตรงที่จิตเผลอไปคิดเนี่ยจิตเป็นอกุศล ประเภทมีโมหะอุทัจจกษะทุ้สร้านนี่ไปคิดรู้เรื่องที่คิดจิตนาคุสนขนาดนั้นขนาดจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ไปคิดตัวเนี้ยเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วนะถัดจากนั้นอักกุศลตัวใหม่จะรับช่วงอีกนพวกหนึ่งคล่าครวญถึงอดีตโอ้แย่อย่างเลยเผลอไปตั้งนานและนวมีพวกนี้คล่าครวญไปอีกพวกหนึ่งห่วงอนาคตไม่ทําไงเราจะไม่เผลออีกก็ยพยายามดึงเอาไว้เนี่ยเกิดอักุศลใหม่แล้วนะโลภะเกิดดึงเอาใหม่ละ รูล้ลงปัจจุบันทีละขณะทีละขณะนะปัจจุบันสันส ต, ติรู้จิตอะต่อกับปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเป๊ะๆนะ <Okay. S 1> เห็นไหมตอนที่ไหวเ้เนี่ยลืมกายลืมใจเนี่ยรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะสภาวะจิตตกี้เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะตรงนี้เป็นจิตที่คิดแล้วรู้สึกไหมขณะแวบเดียวนั้นนะ่ะที่ว่าขึ้นมาด้วยคณิกะสมาธิชั่วขณะเท่านั้นนะงั้นจิตตัวเนี้ย ในโลกนี้แทบไม่มีเลยเราะนั้นสติของเราไม่ค่อยมีในโลกนี้มีแต่อกุศลแจิตกุศลไม่ค่อยมีเกิดน้อยที่สุดแค่เกิดก็เกิดแค่โลกียะกุศลธรรมดามีสติธรรมดาไม่ใช่สัมมาสติสติธรรมดากับสัมมาสติไม่เหมือนกัน mm hmm. สติธรรมดานี้ระลึกถึงอารมณ์ฝ่ายกุศลสัมมาสติระลึกรู้รูปนาม mm hmm. ถ้าสัมมาเมื่อไหร่นะจะลงที่รูปนามหมดเลย สัมมาสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์รูปนามสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาก็คือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนามก็อ่างเช่นวาถ้าเราเคลื่อนมือไปอย่างนี้เนี่ยเรารู้แต่เรารู้อาการที่ต้องระวัง น, นิดหนึง่งการเคลื่อนมือนะบางทีเราตรึงความรู้สึกไว้คุณลองเคลื่อนสิเนี่ยรู้สึกไหมใจทื่อๆรู้สึกไหมเ น, นี่ยเพราะอะไรรู้ไหมสมัยใจทื่อถ้าเรียนอภิธรรมแล้วรู้ในจิตที่ทื่ททอๆนะอกุศลจิต ทำไมมือเคลื่อนไหวเรารู้อยู่แท้ๆแล้วจิตกลายเป็นอักขุศลขึ้นมาได้จิตไม่หนักจิตไม่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าขาดสติแล้วนี่คือการเพ่งมือนะแต่เราทําโดยที่เราไม่ได้เพ่งแต่มันรู้สึกไม่ใช่เพราะว่าเราเคยฝึกเพ่งมาจนชินนะเพราะงั้นพอขยับปุ๊บเราก็เพ่งเลยมันไม่มีคําว่าสักว่ารู้สักว่ารู้นะมันจะเห็นเลยธรรมชาติรู้อยู่นี่นะ ไอ้ที่ไหวมันอยู่นี่แต่นี้เราไปรวมกันรู้สึกไหมไปรวมเป็นหนึ่งเดียวนี่คือการเพ่งนี่ค่อยๆเรียนตัวสภาวะนะถ้าเรียนสภาวะได้แล้วเดี๋ยวก็ภาวนาเปรตสิ่งที่ผิดในการทํำวิปัสสนามีสองงานอันหนึ่งคือการเพ่งรู้จักเพ่งแล้วใช่ไหมจิตมันจะเคลื่อนไปแช่อยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่มีแยกรูปแยกนามอะไรทั้งสิ้นเลยเหลือแต่รูปอันเดียวแล้วแยกรูปแยกนามไม่ได้ันขึ้นวิปัสสนาไม่ได้อยู่แล้ว อันที่สองที่ผิดนะก็คือเผลอไปหลงไปขาดสตินะอย่างขณะเนี้ยเผลอไปคิดแล้วลืมกายลืมใจรู้สึกไหมจิตตกจากอารมณ์ปัจจุบัน่นะ้วเนี่ยตกอีกแล้วรู้สึกไหมนะเพราะงั้นมีสองอันนะที่จะทําให้เราทํามิปัศสนาไม่ได้อันนึงคือหลงไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดคือหลงไปทางสารรค์ทั้งหก น, นั่นเองการที่หลงไปเพราะอะไรเพราะจิตอยากได้อารมณ์จิตอยากได้อารมณ์เนี่ยเรียกว่ากามสุขขันธิการยุโยก เที่ยวไปแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจก็ลืมกายลืมใจตัวเองงั้นเมื่อไร่จิตของเราลงไปหาอารมณ์ต่างๆนะกระทั่งความคิดอยากคิดอยากรู้เรื่องหนีไปคิดรู้เรื่องที่คิดเนี่ยลืมกายลืมใจเนี่ยจิตตกไปในฝ่ายอกุศลตกไปฝ่ายกามสุขา ร, ริการุโยกแต่ถ้าเราบังคับปุ๊บเราเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้เนี่คือการควบคุมกายควบคุมใจของตัวเองเรียกอัตตะกิลมัฐานุโยก เั้นจิตจะสุดตรงสองข้างสังเกตดูทันทีที่เพ่งจะเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวนะไม่มีแยกรูปแยกนามแต่ถ้าสักว่ารู้เนี่ยจะแยกรูปแยกนามอัตโนมัติอย่างตอนนี้หนีไปคิดและรู้สึกไหมเหลืออ e ันเดียวห็นไเหลืออันเดียวหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้จักรู้จักหรื อ, อยังนะยากมากนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยที่จะรู้สึกตัว นะคนทั่วโลกเลยสัตว์ทั้งโลกเลยเคยชินแต่จะหลงหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ส่วนพวกปฏิบัติหลงอีกชนิดหนึ่งหลงเพ่งไว้หลงประคองไว้หลงกําหนดไว้หลงใจจ้องจ้องเอาไว้จิตใจก็ไหลลงไปรวมอยู่ในอารมณ์ไปถือถ่อๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะถ้าคือได้ที่ก็ได้ความสงบขึ้นมาคือไม่ได้ที่นะก็ลบาบากอึดัด อ่าใจตามรู้เช่นเราคิดถึงเรื่องนี้ใจกังวลรู้ว่ากังวลนะคนทั่วๆไปไปคิดถึงเรื่องนี้รู้เรื่องที่คิดของเรานะับปฏิบัติเกินเขาหน่อยเดียวไปคิดเรื่องนี้ใจมันกังวลรู้ว่ากังวลทีนะี้าการตามรับรู้กับคำนี้คือต้องมันคนละอันกันแขนาดที่เราไปคิดเรารู้อารมณ์คือรู้ความคิดจิตนี่มีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตไปรู้เรื่องที่คิดซะแล้วเนี่ยจิตจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตจะอยู่ในโลกของความคิดเราจะตกจากการรู้กายรู้ใจให้พลาดไปจากอารมณ์ปรมัตร์แล้วทำนะ ม, มิปัสฉนาไม่ได้แล้วหลวงปู่ ด, ดูลนึงสอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนะนี่ยท่านไม่ได้พูดปริศนานะพูดตรงๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้คือไม่รู้กายไม่รู้ใจอะรู้แต่เรื่องที่คิดแต่พอเวลาเรื่องเราคิดเรารู้ใช่ไหมคะเราก็แปลออกมาว่าเป็นอะไรนั่นคือคิดแล้วแต่ถ้า คืออย่างนีรู้เรื่องที่คิดเนี่ยอันหนึ่งนะรู้เรื่องที่คิดเนี่ยไปรู้อารมณ์บัญญัติรู้ว่าจิตมีอาการไปคิดเนี่ยรู้อารมณ์ประมัะทันทีที่รู้ว่าจิตมีอาการไปคิดความคิดจะขาดทันทีเลยนะหลวงพ่อเทียนยัสอนมีคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวนะเจอแมวเจอตกหนูตายเลยนะคุณกบ ร, รู้สึกไหมเมืนะ่อกี้ไม่ใช่นะเมื่มมอกี้ เออเอเอเอ่ะอ่ะ อ, อ, อย่างนี้ดูบอกแล้วแล้าเมื่อกี้ท่านไม่ใช่น้ำเมื่อกี้ยังเห็นแมวอยู่หลงแล้วนะเ <c oughs> ข้าใจยังมาเรียนทพิจารมา น, นะไม่เราไม่ได้เรียนปริยักษ์เรามาเรียนเพื่อจะหัดดูสภาวะสภาวะสองอันที่เราต้องเรียนให้รู้จักหลงไปเผลอไปเป็นยังไเเงเท่งเอาไว้เป็นยังไง <c oughs> ถ้าเรารู้จักสภาวะที่ผิดสองอันนี้นะจิตมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเอง อันทีที่รู้ว่าผิดมันจะถูกขึ้นมาโดยเฉพาะการเผลอไปหรือจิตที่มีอกุศลนะอันทีที่รู้วันนี้ยจิตจะตื่นขึ้นมาแต่การเพ่งเนี่ยถึงไปรู้ว่าเพ่งบางทีไม่หลุดออกมาเพราะเพ่งมันไม่ใช่อกุศลทีเดียวไม่รู้ขนาที่ย่อลงพ่อเทียนที่ท่านที่สอนที่เล่ืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเป็นการตามกายไปอ่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะเวลาอ่านหลวงพ่อเทียนต้องอ่านให้จบเล่มนะแต่เดิมมาจะมาอ่านนิดหน่อย โอหลวงพ่อเทียนสอนกายา<ฮ>ะนะต้องอ่านมากๆเลยหลวงพ่อเทียนสอนจิตตาโนปัสสนานะกายเป็นตัวกระตุ้นเท่านั้นเองเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้รู้สึกตัว ค, คือเริ่มจากกายก่อนแล้วมาเป็นอโน ม, มัตกายไม่เป็นคือมันจะรู้อารมณ์ขณะคือพอกายตมาเคยบอกอะไรให้ตมาเคยเจอหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนขยับปุ๊บหลวงพ่อเทียนตื่นสว่างโปร่งขึ้นมาเลยนะลูกติดไปนั่งเรียนเลยไม่คิดเรื่องมือก็เพ่งมือไม่ก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเลยนั้นไม่ใช่นะ สังเกตไหมชอบชอบอะไรกันมากเลยชอบส่งจิตเข้าไปอยู่ที่มือ mm hmm. เห็นไหมเหลือแต่มือแล้วโกเนียหลวงพ่อเทียนจิตท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตท่านอยู่ต่างหากท่านเห็นมือไหวไปเท่านั้นเองนะเห็นรูปมันไหวไปเท่านั้นเองแล้วหลวงพ่อเทียนสอนประโยคเด็ดไว้อันะบอกว่าถ้ารู้ทันจิตที่คิดนะ น, นะก็เป็นต้นทางของการปฏิบัติแล้วรู้ทันจิตที่คิดนะคือรู้ทันอาการที่จิตคิด หลังๆ ล, ลูกศิษย์ท่านมาพระมาคุยด้วยบอกหลวงพ่อเทียนสอนให้ดูความคิดดูเรื่องที่คิดท่านไปนั่งดูเรื่องที่คิดบอกไม่ใช่เรื่องที่คิดมันเป็นบัญญัติหลวงพ่อเทียนสอนให้ดูจิตที่คิดท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตมันคิดนะ น, นะตรงเนี้มันจะตื่นขึ้นมาได้ต้นทางได้ต้นทางยังไงก็คือเราจะหลุดออกจากโลกของความคิด เมื่อเรารลุดจากโลกของความคิดอยู่กับโลกของความจริงเรารู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นได้แล้วจเจริญปัญญาได้นะแล้วนะท่านก็สอนต่อไปเลยการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะก็คือดูจิตตัวเองนะไปตรงกับหลวงปู่ดูลเปี้ยเปลืยสุดท้ายนะเป็นลงที่จิตตาส่วนอันนี้เป็นแค่ตัวกระตุ้นไม่ให้เผลอเท่านั้นเองนะเหมือนพราป่าท่านเดินจงกรมแบบเดียวกันนะนะั่นแหละนี้เรารุ่นหลังๆนะครูบาอาจารย์ตายไปหลายปีบางทีแปลไปอย่างอื่น กายเป็นตินั่งเพ่งมือกันจริงๆัเลยเพ่งไปเพ่งมานะเกิดอาการของสมถะนะเพราะว่ามันเพ่งอะ่ะเดี๋ยวก็ปีติเดี๋ยวตัวโครงตัวเบาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักเหมือนกันนะไปเดินยกเท้ายั่งเท้าเดี๋ยวก็ตัวโครง ต, ต, ต, ตัวหนักตัวเบาอะไรขึ้นไะปเพราะเราเราไม่เข้าใจตัวสภาวะว่าจิตชนิดไหนทําสมถะชนิดไหนจเจริญปัญญานะเราส่งจิตเข้าไปเกาะ อ, อยู่ในอารมณ์เดียวมันเป็นสมถะไปหมดเลยถนะามว่าเราเห็นอะไร ไหวนี่เห็นมือเห็นมือนั่นมันบัญญัติแท้เลยเ ห, ห็นไอ้าใครจะคุยอะไรบ้างเชิญเดี๋ยวว่าหลวงพ่อปลุกขาดคุยกับโยมนี้เพราะคุยกันถูกคอ <c oughs> <c oughs> คนอื่นฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ้าเชิญเชิญอ่า <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ ถ้าเรารู้รู้เสียงเนี่ยนะเป็นการรู้รูปแต่ตรงนี้ยังไม่สำคัญเท่าไหร่พระพุทธเจ้าสอนต่อไปอีกเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำงั้นเราทำต้องทำให้ให้ครบหลักสูตรท่านนะถ้าเราไปหยุดอยู่แค่เสียงใจเราจะนิ่งๆแต่ถ้าเราได้ยินเสียงเครื่องวินมันดงนังโงกหูมากเลยลาคาลําคาญ ร, รู้ว่าําคาล แต่ถ้าเราเสียงบาทบเรากำหนอดอยู่ที่หูเลยกำหนอดอยู่ที่เสียงนะใจจะนิ่งๆพองไปนานๆเราจะรู้สึกว่าเราเก่งเราบังคับจิตได้อ๋อไม่เป็นไรสมมุติก็ห้ามมันไม่ได้นะห้ามไม่ได้เราไม่ห้ามมันหรอกพอใจของเรานี่มันจะชอบภาคแค่ความโกรธเกิดขึ้นมามันก็บรรยายแล้วนี่โกรธ ล, ลนะอย่างเงี้ยนี่เสียงเรือบินมาละมันจะภาคนะ ตรงที่จิตมันไปภาคนะั้นก็จิตมันปุ้งขึ้นมาแต่ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เราไม่ห้ามนะการทำกรรมฐานเราจะไม่ฝึกเก็บกดนะมันเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นงั้นเพราะงั้นเสียงดังเสียงดังเรารู้ว่าเสียงระบินมันบอกว่า เ, ออเสียงเครื่องบินก็ช่างมันไม่ว่ามันสังเกตไหมมันพูดได้เองอะรู้สึกไหมมันพูดของมันเองได้ มันคิดของมันเองได้เรายังไม่ทันช่วยมันคิดเลยรู้สึกไหมมันบรรยายให้เรียบร้อยแล้วว่าเสียงเรบินแค่นี้เราก็จับร่องรอยมันได้แล้วนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันคิดได้เองจิตสงสัยทราบไหมเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยนะถ้าสงสัยแล้วไปคิดถูกหลอกนะกิเลสทุกตัวเลยหลอกให้เราเลิกดูจิตตัวเองอาจารย์มหาบัวเคยสอน บอกว่าหัวหน้ากิเลสคือตัววิชาเนี่ยซ่อนอยู่ในจิตของเราเองหัวหน้าโจรอยู่ในบ้านแต่ว่ามันกลัวเราจะย้อนมาเห็นมันเข้างั้นมันจะส่งกิเลสตัวเล็กๆน้อยๆมนหลอกเราวิ่งไปทางโน้นทีวิ่งมนีท่ทีให้เราวิ่งไล่ตามไปให้เราลืมจิตใจตัวเองซะเราจะได้เอาชนะมันไม่ได้เช่นฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วสงสัย สงสัยแล้วแทนที่จะรู้ว่าความสงสัยเกิดขึ้นนะสงสัยไปแค่นํามาทํามันนึงผ่านมาผ่านไปเราไม่เอาเพรอความสงสัยเกิดขึ้นเราคิดหาคําตอบเนะี่ยขณะที่เราไปคิดเนี่ยเราไม่ได้เห็นกายเห็นใจของตัวเองนะ้เราถูกมันหลอกนะหรือเราเห็นสาวสวยเดินมานะใจเราเกิดรักเขานความรักเกิดขึ้นมันล่อให้เราไปดูสาวเดินตามดูเข้าไปนะเห็นแต่สาวไม่เห็นว่าใจเรากาลังรักเขาเกนะิเลสมันหลอกเราอย่างนี้ ี่เลสจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวให้ลืมจิตใจของเราเองเนี่ยหนีไปคิดทราบไหมรู้จักใจลอยไหมคุณผู้ชายอ่ะให้รู้ทันนะใจหนีไปรู้ว่าหนีไปหัดรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ยากอะไรคิดมากเรายากถ้าพยายามฟังหลวงพ่อพูดจะให้รู้เรื่องนะยากที่สุดเลยเพราะหลวงพ่อพูดเองยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยรู้สึกขำไหมพอรู้สึกขำแล้วจิตใจผ่อนคลายรู้สึกไหม พอฟังธรรมะเนี่ยตอนนี้กำลังฟังธรรมะจริงจังรู้สึกไม้ชักนิ่งนิ่งแล้วเห็นะใจเราแ่งขึ้นแ่งลงแฝงขึ้นแฝงลงนะตามรู้ไปอย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นเลยว่ามันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่เราหรอก คือถ้าถ้าเป็นอารมณ์อกุศลจะหยุดทันทีนะถ้าเป็นกุศลไม่จําเป็นหรอกนะหรือถ้าเป็นรู้เวทนาเวทนาไม่หยุดก็ได้นะแต่ถ้าเป็นอกุศลเนี่ยทันทีที่สติเกิดมันดับทันทีตัวเดียวนะตัวอื่นดับไปยังมีเหตุอยู่มันก็เกิดอยู่อย่างค <ừ. S 1> วามเมื่อยนั่งไม่ได้ปรินิยบนเมื่อยเรามีสติรู้ว่าเมื่อยไม่หายเมื่อยหรอกแล้วเราก็ไม่ได้นั่งเพื่อให้หายเมื่อยด้วยนะเรานั่งเราไปอย่างเมื่อยเมื่อยเนี่ยดูไป นะขาก็อันหนึง่งความเมื know, know, know, ่อยก็อันหนึ่งใจที่ไปรู้ว่าเมื่อยก็อีกอันหนึ่งหัดแยกรูปแยกนามความเมื่อยกับขาก็คนละอ่านกันขายังอยู่นิ่งๆเลยขายังไม่ได้กระดิกเลยแต่ความเมื่อยไม่คงที่อ่ะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบานะแต่ดูไปเป็นโคนละอ่านกันใจของเราแหะใจอยู่นี่ดูลงไปที่ความเมื่อยที่ขานะความเมื่อยเป็นของที่ใจไปรู้ใจก็อยู่ตาหักโคนละอ่านกันแค่นี้เราก็แยกขันได้ตั้งเยอะแล้ว อ้าวเชิญเชิญคือแล้วแต่ว่าเราจะฝึกกรรมฐานชนิดไหนนะถ้าฝึกดูเวทนาอย่างสายท่านโกเอนก้าไม่เปลี่ยนอริยาบทสู้ตายน ะ, นะถ้าดูจิตล่ะนั่งไปพอมันเมื่อยเห็นไหมจิตมันกระสับกระส่าย เออจิตมันกระสับกระสายเราเปลีป่ยนดีระยาบทอ้าวจิตมันดีใจแล้เนี่ยเห็นไหมความกระสับกระส่ายดับไปเป็นความดีใจคือแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวหลักถ้าจะดูเวทนานะสู้ตายไม่เปลี่ยนดูซิเวทนาเป็นตัวเราจริงไม่จริงเพไมะใครจะทําอะไรนะแล้วแต่เว่กรรม เงี้ยกิเลสมันก็หลอกให้เราคิดนั่นแหละให้ให้เลิกรู้สึกตัวต่อไปนี้พอเสียงเพลงมานะไม่ต้องไปคิดว่านี่เสียงนะไม่ต้องไปคิดว่าเออนี่แค่เสียงกระทบหูเนี่ยอันนี้หาทางควบคุมจิตไม่ให้หวั่นไหวละสเสียงเพลงมาจําได้โอ้เพลงสมัยเรายังเด็กๆเพลงนี้เพราะชอบแต่มันชอบรู้ว่าชอบนี่ยปล่อยให้จิตใจมันทํางานไปแล้วเราก็คอยตามรู้เอาอย่าไปบล็อกมันให้มันนิ่ง พอเสียงกระทบหูมาัาโมตกพิจนานี่นี่แค่เสียงใจก็นิ่งๆฝึกไปทุกครั้งต่อไปใจนิ่งทั้งวันเลยต่อไปภูมิใจโอ้เราฝึกจิตของเราดีจิตเรานิ่งตลอดชาติเลยนะตายไปต้องไปนั่งหน้าโรงแรมนะไปเป็นพรนะลมอะไรเงี้ยไงคุณผู้หญิงนั้นนะ่ะที่ใส่แว่นตารู้จักใจลอยอยังรู้จักใจลอยไหม <c oughs> เห็นไหมคุณแล้วนะ่ะแว่นอีกคนนะ่ะหันไปดูเขาลืมตัวเองอะ่ะรู้สึกไหมนี่หัวเราะเขาลืมตัวเองรู้สึกเปล่า <c oughs> หลวงพ่อบอกเรานึกออกไหมว่าเราลืมตัวเราเองเมื่อไรเราลืมตัวเราเองก็คือเราตกจากอารมณ์ปรมัสตร์แล้วเราไม่ได้รู้กายรู้ใจเราไม่ทำมิปัสนาแล้วนะถ้าหลงตามอารมณ์ไปเลยก็จิตตกเป็นักกุศล ถ้าไปประคองไว้ในอารมณ์มันเดียวก็ได้สมถนะรู้จักใจลอยอยังโยมมาหลายทีแล้วโยวผู้ชายเนะี่ยอยู่บ้านสังเกตใจลอยบ่อยไหมใจเราแอบไปคิดรู้สึกไหมใจชอบหนีไปคิดนะเวลาที่เราไปคิดเราจะรู้เรื่องที่เราคิดนะแต่เราจะลืมตัวเราเองนะนี่สุดโต่งไปข้างเผลอ อีกแบบหนึ่งก็ไปนั่งเพ่งเอาไว้นั่งจ้องนะบางคนจ้องมากเลยนะจ้องตลอดเวลาทําอะไรก็จ้องจ้องยจนเครียดไปหมดเลยหลังไหลคอเคร์เคลิดไปหมดเลยนะบางคนบอกไปหาหมอมาไหลโรงพยาบาลเขาไม่หายนะรักษาไงก็ไม่หายกล้ามเนื้อพิการไปแลนะ้ว <c oughs> ตัวเวรียนกรรมแท้ๆเลยอยู่ดีๆนะไปนั่งบังคับไปเพ่งเอนไว้เพ่งอันนี้เพ่งกล้ามเนื้ออย่างทั้งชั่วนะบางคนเพ่งสมองนะดูสิสมองชอกช้ําลําบาก อ้าวสามหนุ่มนี้หลบอยู่นี่อ้าวส่งกันบ้านเอาโยกกอเลยผู้อาวุโสอะไรนะอี่าไปอ่านฮวงโปรเยอะอ่านแล้วมืนมาเลยอ่านตืต่นก็นอนแน่ล่ะ น, นูตายแล้วน่าสงสารจังเนาะเพราะคนหนึ่งเขาอ่านแล้วเขารู้สึกตัวขึ้มาพวกเซนนะมีความเก่งมากในเรื่อง เขใช้คําพูดดักเราในทั้งเราไม่มีทางคิดหยุดคิดนะอย่ารู้สึกตัวขึ้นมาคิดอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดผิดผิดผิดนะหาที่ถูกไปด้หาไปจนวันหนึ่งเจอว่าเขาไม่มีหรอกไงปองไปลูกติดแม่ฉีสันาดีเหรอแม่ฉีก็ว่าดเองนะตอนนี้พวกแม่ฉีนั้นมาหลายคนนะ ีมาม่ชีนนะทํางานหนักสงสารน่าสงสารมากนะผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงจะ อ, อยากภาวนาเดี๋ยวไปอยู่วัดอยู่วะก็ไม่ค่อยมีที่ให้อยู่จะอยู่ที่ไหนต้องทํางานหนักลําบากนะผู้หญิงเห็นมีอยู่สองสามสํานักนะสํำนักผู้หญิงไม่มีเขาต้นหลวงเลือกซ้อกันยัง <laughs> อย่างอยู่นะลําบากทางโน้น นะเสถียรเราต้องงานเยอะรู้จักใจลอยไหมเมื่อกี้ทาอะไรเมื่อกี้นี้ฟังท่าแล้ ว, ลวก็ใจลอยไปนิดเกลับมาัง่า ห, หแล้วบังคับไว้มองออกไหม <c oughs> กาลังบังคับตัวเองอยู่มองเห็นด้วยไหมนนให้รู้ทันลงปัจจุบันนะบังคับกายบังคับใจเรื่องอัตตากิลมัสานุโยกน <c oughs> ะบังคับแล้วมันก็นิ่ง นิ่งแล้วมันก็ไม่ได้แสดงความจริงคือใจลักใจลอยไปแล้วอย่างั้นแต่ว่าเศึกไปเรื่อยๆปัญญาก็จะเกิดเวลาเราศึกปอยนะคะเป็นยังไงนะไป่อยยค่ะต่อไปคือปัญญาไ่จะเหมือนแบบ่นันแหละค่ะใช่มันจะสว่างโปงวบขึ้นมาเลยเราไม่จเป็นจะต้องแบบว่าบังคับให้ิด่จะ้งเพื่อ้าไม่ใช่นะ เหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือการที่จิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นเองพอเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเราคอยรู้รู้ไปนานๆปัญญาก็คือความเข้าใจมันเกิดขึ้ น, นจะเข้าใจเลยเออร่างกายนี้มันทุกข์จริงๆนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจนี้ไม่เที่ยงจริงๆเปลี่ยนรวดเร็วมากนะ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูทางใจบังคับไม่ได้นี่เป็นตัวปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะเห็นกายเห็นใจลงเป็นไตรลักษณ์นี่เรียกว่าตัวปัญญานี่ไปคิดอยากพูดหเห็นไหมเห็นไหมเห็นแรงดันในอกไหมมันดิ้นขุกขับขกขักนะตัวนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะท่านพักตัวนี้ตัวที่หนึ่งเลยนะนี่ยตัญหาในช่างผู้สร้างเรือน เรารู้จักเจอแล้วเห็นไมเห็นไหมเห็นไหมมันอยากพูดดูออกไหมรู้สึกจะทนไม่ได้แล้วรู้สึกไหมนะดูไปดูแฝก่อนเดี๋ยวค่อยพูดตีหลังหัดดูให้เป็นสําคัญกว่าตั้งคำถามเพราะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังแต่เห็นตัญหาผุดขึ้นมาอ้อมันเป็นอย่างนี้เองมันทำงานอย่างนี้เองเกิดขึ้นมาแล้วมันมีผลเป็น อันนี้มันเป็นอาการเพราะมันมีมันการมันเคลื่อนที่อ่านะรู้อากาศเห็นไหมถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้ลักษณะที่จัตุกะของมันเนะีนะ่ยตำรานะปริยัติปฏิบัตินะตรงพันเป๊ะเลยอัศจรรย์นะตำราท่านที่รักษาตำรามาเนี่ยโอ้เก่งท่องมาได้ไงมองก็ไม่เห็นท่องได้เนี่ยใจร้อยแล้ว เห็นไหมตอนนี้ไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วนะตอนนี้บังคับแล้วนะตรึงแล้วตรึงความรู้สึกก็รู้ทันมันไงคุณผู้หญิงนั่นอ่ะสงสัยมากไหมไม่สงสัยแล้วเนา ะ, ะไม่สงสัยก็หันรู้สึกไปไม่สงสัยแล้วทาไมต้องคิดละ่ะตองรู้สึกไวเป่าเดี๋ยวหลับอ้าวฟืมไล่ตรงนี้ หนักบ้างเบาบ้างแตเวลามัเบาแล้วที่เวลามันหนักมก็ไม่หนักอดแหมดีนะพูดเป็นใรลักหลวงพ่อจะได้ว่าอะไรไม่ได้หนักบ้างเบาบ้างถ้าหลวงพ่อบอกทำไมมันไม่เบาตลอดบอกมันเป็นใรลักษาอว่าในช่วงที่เรานัื้นะคิดวางแ่ีะวแเอน้่ิวางผอี่างเรื่องะานเรื่องั่งคิด้างืา ไม่ไม่ต้องกําหนดเวลาจะคิดเรื่องงานนะคิดเรื่องงานตั้งใจคิดเรื่องงานให้รู้เรื่อง อ, อย่ามาดูจิตน ะ, ะดูจิตเราคิดไม่ได้บอกว่าอันนี้คือแยกกันแยกกันมีสองงานที่ทําให้เราดูจิตไม่ได้ อ, อันหนึ่งนอนหลับไปะนะอีกอันหนึ่งก็คือไปคิดเรื่องงานถ้ามีางานก็คือเผลอไป เพราะว่าพยายามเนี่ยเป็นคำสุภาพคำจริงๆคืออยากดูอยากปฏิบัติความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดสินะงั้นเรานอนดูไปนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะบรรลุด้วยการนอนแต่เราเอาอยางไม่ได้นะ <c oughs> เป็นข้อยกเว้นเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่า <c oughs> บอกว่าท่านนอนถนัดนอนอยู่ที่ศรีเสเกต ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้รู้ทันนะหลงคิดเติมคําว่าหลงลงไปทําไมเรียกหลงเพราะลืมกายลืมใจแต่ถ้าเราคิดตาอาจารย์ท่านหลวงพ่อพูดที่เป็นมันเป็นจะเป็นบุส่วนหรือจะมันเป็นบัญญัติว่าถ้าถ้าเราเกิดทำดีรุ่งนานตลอดเวลาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราจะไม่รู้อะไรเลยเราจะไม่รู้อะไรเลยแต่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะดูตลอดเพราะว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็วิ่งออกมา รับรองไม่มีอยู่ดูตลอดหรอกให้ดูได้แวบๆก็บุญถมบุญสมไปแล้วอ่ะนี่เอออือเอออย่าไปทิ้งนะพระพุทธเจ้าสอนให้ทำทั้งสองอย่างแต่ว่าทำสัมราสมาธิหายใจรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวไปเรื่อย หายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปหายใจไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบอย่างนี้ใช้ได้นะถ้าหายใจแล้วจิตไหลไปรวมเข้ากับลมโลกนี้เหลือแต่ลมหายใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้อ้าวว่าไงคนนี้หลบชื่อไปแล้วเออโปแล้วโปไป ม, มาว่าไง ค่อยสังเกตเอานะค่อยสังเกตคือทีแรกเรารู้สภาวะหลักๆ ก, ก่อนอย่างความสุขความทุกข์อะไรเงี้ยจิต ท, ที่โลภโกรธหลงอะไรเนี้ยของหยาบหยาบกูก่อนต่อไปมันค่อยละเอียดขึ้นเองอย่างโกรธมันก็มีหลายเกรดนะน้อยใจก็โกรธนะอ่ะกากังวลก็โกรธอิจฉาก็โกรธโกรธก็มีลูกมีหลานเป็นกองทัพเลยนะโลภ ก, ก็มีหลายอย่างโลภะ เจ้าคิดที่เจ้ามาน่าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนี่ก็โลภมากเหมือนกันมีหลายแบบหัดรู้เรื่อยๆทีแรกเราก็รู้แต่ของหยาบนะพอเรารู้เนืองๆต่อไปเราก็รู้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างหัดรู้ใหม่ๆเราอาจจะต้องโกรธแรงๆเราถึงจะรู้ว่าโกรธแนะต่มาลำคาญ น, นิดๆก็เห็นละนะแล้วยโยโยใจลอยไปทําำไงดูสาว ดูสาวแมว <c oughs> ไม่อย่าบังคับมันคำว่าเพ่งเนี่ยนะภาษาไทยไปแปลเอาเองเพ่ง <c oughs> ตัวนี้คือคำว่าลักนณปนิชฌานการรู้ลักษณะ ทำทั้งหลายทําอะไรเป็นธรรมมั่งทําในส่วนโลกิยะก็รูปนามกายใจ จ, จิตเจตสิกเลยพวกนี้ะถ้าเราตามรู้สภาวะอยู่เราก็เข้าใจแจ่มแจ้งทําคือนิพพานถ้าหยุดความปรุงแต่งได้ก็แจ่มแจ้งงั้นคำว่าทำที่ทมทั้งหลายผู้มีความเพียนเพ่งทำมันนี้ก็คือรูปนามเท่านั้นแหละไม่เกี่ยวกับ น, นิพพานด้วย แล้วก็ไม่ใช่การนั่งเพ่งตัวมันการนั่งเพ่งตัวอารมณ์เนี่ยนะมีชื่อเรียกว่าอารามนุปนิชฌานเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะแต่ถ้าเป็นการรู้ลักษณะนะนี่จะเป็นวิปัสสนานี่ภาษาไทยเราวางทีเราก็ไปแปลแล้วมันเคลื่อนจากตัวสภาวะภาษาที่ใช้งั้นอยากให้สภาวะแม่นๆต้องเรียนอภิธรรมนะอภิธรรมอยแม่นมากเลยหลงไปแล้วนะ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสังเกตไหมความอยากของเราไม่รุนแรงเท่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเออใช่ได้อ่ะพูดได้ดูกายในกายะคะอวิาจวราลักษณะเป็นยังไงนือกายในกายเนี่ยไม่ใช่ดูตัวเองถือว่ามีอันเดียวโดดอยู่แค่นี้กายในกายก็คือเป็นรูปส่วนน้อยในรูปส่วนใหญ่ คือก็คือรูปที่ลงลงปัจจุบันกีรติขณะนั่นเองนะอย่างรูปนั่งยก็เป็นรูปอันหนึ่งในรูปหลายๆรูปนะนี่เรียกกายในกายคือเป็นส่วนส่วนย่อยๆในส่วนใหญ่ๆแล้วแต่ลมในกายก็ถือลม ใ, ใจในกายอ่าก็เป็นแต่ต้องดูให้เป็นส่วนใหญ่อย่าเพ่งลมถ้าเพ่งลมไม่ใช่กายในกายนะนั้นเพ่งตัวอารมณ์ถ้ากายในกายเป็นยังไงจะเห็นเลยรูปที่หายใจเข้ากับรูปที่หายใจออกมันคนละตัวกันนะ ยิ้ิยาบทสี่ล่ะเห็นเลยรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเป็นคนละรูปกันเนี่ยตัวรูปมันจะขาดออกจากกันสันตติของรูปขาดมีคนหนึ่งนะมานั่งเรียนอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็สอนบอกสังเกตไหมเวลาฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็มองหลวงพ่อเดี๋ยวก็ฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็หนีไปคิดให้ค่อยสังเกตสิมันวิ่งไปอย่างเนี้ยสามช่องเนี่ยสามช่องหลักๆ ท้านั่งนั่งอยู่สักพักนะบุทานออกมาหลวงพ่อมีปาฏิหารปาฏิหารเนี่ยหลวงพ่อหายตัวได้มองหลวงพ่ออยู่เนี่ยทําไมรูปหลวงพ่อหายวัดไปเลยนะบอกสันตติเป็นขาดไม่ใช่หลวงพ่อมีปาฏิหารนะจากครูวิญญาณจิตของตัวเองดับลงแล้วสติปัญญามปนฉันอย่างเห็นได้ตรงนั้นไม่มีรูปนะเั้นไม่ได้ยากอะไรนะฟังแล้วยาก หัดรู้ไปจิตเราไปทางตาไปทางหูไปทางใจคอยรู้ไปอย่างพวกเราอยากดูปฏิหารไหมนะลองมองหน้าหลวงพ่อทีพยายามมองให้ชัดๆนะแล้วจะพบว่ามองได้ไม่ชัดหรอกมองได้แวบเดียวเดี๋ยวต้องตั้งใจมองใหม่ดูนะาจ ะ, สะแสดงปฏิหาร <c oughs> ดูคนข้างๆเราก็ได้มีปฏิหารเท่าๆกับหลวงพ่อเลยนะ ลองมองไปสิเราเราเวลาเรามองหน้าไข่สักคนนะเราเปลี่ยนจุดที่มองไปเรื่อยเรยเรามองจุดเล็กๆนิดเดียวแล้วมันก็หายไปก็ต้องต้องจ้งใจมองใหม่ให้ต่อชิกซอนะเสร็จแล้วก็เกิดภาพบวมขึ้นมาด้วยความจาของเราจําได้เพราะหน้าตามอย่างนี้เองแค่จริงแล้วตามองเห็นรูปนิดเดียวนะหูได้ยินเสียงนิดเดียวแต่ใจนะั้นมันคิดได้เยอะไม่มีประมาณเนี่ยใจมันไม่มีประมาณอย่างเงี้ย น, นะ เข้าใจยังเคยเรียนอภิธรรมไหมไนะเรียนอภิธรรมแล้วจะเข้าใจง่ายหน่อยเียงแต่ว่าเรียนอภิธรรมแล้วก็ต้องเห็นตัวสภาวะจริงๆนะเรียนแต่ชื่อไม่ได้นะจิตแปดสิบเก้าดวงไม่เคยเห็นสักดวงเงนี้ยใช้ไม่ได้อ่ะเนี่ยเห็นไหมอกุศลเกิดแล้วทราบไหมจิตตกจากอารมณ์ปรมาจิตแล้วเนียตกอีกแล้วอยากพูดอีกแล้วเห็นไหม ต้องรู้ที่หลังนะอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ตามรู้ว่าอยากนี่ศบตาหลวงพ่อชักกลัวนะไปดูเขาใจลอยนะเอาคุณเสื้อเขียวข้างหลังนั่นเป็นไงออเคถูกใจหลวงพ่อคิดแล้วรู้ว่าคิดดีนะคุณดูออกแล้วใช่ไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสังเกตไหม เราฟังไปคิดไปเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวหรอกคนในโลกก็ฟังไปคิดไปผู้ปฏิบัติตา่างอ่ะเท่นี้เดียวจิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าคิดนะจิตพยายามไปเที่ยวเพ่งมันเที่ยวค้นหามันก็รู้ทันมันนะถล่มเข้าไปล้วหนีไปคิดอีกแล้วใช่ไหมคุณเสื้อเขียวนะคอยรู้มันนะครรู้ทันใจของเราเนี่ยชอบแอบไปเที่ยวแอบไปทํางานทั้งวันเลยเราไม่เคยเห็น จิตใจของเรานะทำงานยิ่งกว่าธาตในโรงงานา่าตคือีทำงานทั้งวันเลยเจ้าของไม่เคยเห็นเลยเพราะฉะั้นไม่เคย ไ, ได้พักผ่อนไงปองปองลืมตัวเองหรืออย่างเออนะรู้ถัดแล้วรู้ถัดชื่ออะไรลืมไปแล้วเออชื่ออะไรนะเพ่งเ่งยังทำเน็ตอยู่ไหมเป็นไงรู้ตัวบ้างอย่างตอนนี้รู้ไหมขณะเนี้ย คิดว่ารู้อย่างขนาดนี้รู้ถูกต้องอย่าง <Okay. S 1> เพ่งอยู่ตับถูกได้หนึ่งคะแนนใช้ <_" S 1> ไ, ได้เห็นไหม <_" S 1> เพ่งอยู่หลงวนะลหลงพ่อก็ไม่ว่านะใจลอยหลวงพ่อก็ไม่ว่าไม่ว่าเลยขอให้รู้เท่านั้นแหละ <_" S 1> คุณเป็นไงคุณผู้ชายทั้งน้นอ่ะ <_" S 1> จิตมันเบิเกบานดูออกไหมจิตเบิกบานรู้ว่าเบิกบานนะเบิกบานน้อยลงไปแล้วทราบไหม นะรู้ลงไปดีลักณะดีละขณะข น, นะรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้ไปจ้องใจมันนะทำให้สบายๆดูสบายๆออาของคุณล่ะเป็นไงรู้เรื่องบางอย่างเวลาโกรธรู้ไหม เ, เห็นสาวๆใจมันชอบอะไรเงี้ยรู้ัม้มหรือเห็นแต่สาว นาลงอ่ะนลงบังคับอยู่ป่านาลงอ่ะเออนะย่ ง, ยงจงใจมันนะงใจยังบังคับมันอยู่ตอนนี้บังคับนะดวกเปล่าใจเราชื้นๆคุ้งกุงรู้สึกตัวของคุณนี้เป็นไงบ้างผมยาวดูเรื่องไหม เ, เอาไปดูนะเอาไปดู อย่างใครเ้าชมเราเราดีใจรู้ว่าดีใจใครเขาว่าเราเราเสียใจหรือว่าเสียใจนะดูหนังดูละครก็ดูได้นะเห็นนางเอกมารู้สึกเขาดีเราชอบเขารู้ว่าใจเราชอบเห็นนางอิจฉามาเราเกลียดเขารู้ว่าใจเราเกลียดเพราะฉะนั้นเราฝึกทําอะไรก็ปฏิบัติได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าทําได้ทั้งนั้นมีคนแก่คนนึงบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติต้องเลี้ยงหลานบอกเลี้ยงหลานก็ทําได้ เวลาหลานมันเรียกมากินข้าวแล้วมันมากินง่ายๆรู้สึกหน้าเอ็นดูรู้ว่าหน้าเอ็นดูเรียกมาแล้วมันไม่ยอมมากินข้าวได้สินะอมไปอยู่งั้นแหะไม่ยอมเคี้ยวไม่ยอมกลืนมันช่างโมโหโมโหรู้ว่าโมโหไม่ทําได้ตลอดอ่ะหัดทําไป ใช่ที่จริงก็คือเหตุจริงๆของมันก็คือที่มันดับเพราะว่าเหตุของมันดับนี่เหตุของมันะเปลี่ยนแปลงตลอดตัวมันเลยเป็นอนิจจังมันไม่ได้ไม่ได้ดับเพราะมันเป็นอนิจจังหรอกมันดับเพราะเหตุมันดับแต่การที่มันทนอยู่ไม่ได้เนี่ยก็เลยคุกขังอันที่มันเกิดแล้วมันต้องดับก็เลยเป็นอนิจจังเหมือนอย่างตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะว่ามันเป็นอนัตตา มันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันประกอบด้วยเหตุมันเป็นสังขารแต่เหตุของมันเปลี่ยนไปตัวนี้มันเลยตั้งอยู่ไม่ได้อัตตาตัวจริงเลยไม่มีเดี๋ย ว, ยวคุณแมวงงแล้วเอาใหม่เอาถามใหม่ถามใหม่ คือตัวมันเนี่ยเป็นไสรักยอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นไสรักเพราะว่ามันเป็นไสรักหรอกแต่มันเป็นไสรักมันทนอยู่ไม่ได้เพราะเหตุของมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไจรักเป็นแค่ลักษณะของมันใสรักไม่ให้เป็นสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีเหตุเรามีอนุสใสที่โมโห เราได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเราตัดสินแล้วว่าอารมณ์นี้ไม่ดีเช่นคนมาว่าเราเร า, เราแปลได้แล้วว่าด่าเราความโกรธก็เกิดขณะที่เรามีสติรู้ว่าโกรธเนี่ยเราไม่ได้คิดนะเราตัดต้นเหตุของความโกรธไปตัวหนึ่งแล้วเราไม่ได้คิดเรื่องที่เขาว่าเราเรามัวแต่รู้ว่าโกรธอยู่ดันั้นความโกรธนี้ดับดับเพราะเหตุของมันดับเพราะงั้นแต่ความโกรธเมื่อกี้ตั้งอยู่ตอนนี้ดับไปแล้วเนี่ยความโกรธนี้มีลักษณะไม่เที่ยง งั้นความไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นเหตุของมันความไม่เที่ยงเป็นคุณภาพเป็นลักษณะของมันมันเกิดมันดับเพราะมันมีเหตุนะไม่ใช่เพราะเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้เข้าใจไหมอะยรนะคำว่าไตรลักษณ์อ่ะคือลักษณะนะลักษณะทั่วไป ทำเต็มๆของมันคือสามัญลักษณะคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมจิตเจตสิกรูปเนี่ยมีลักษณะสองอย่างอันหนึ่งเรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะทั่วๆไปแต่พวกนี้ทุกตัวมีลักษณะร่วมกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะงั้นไตรลักษณ์นี่เป็นลักษณะร่วมของสิ่งที่เป็นสังขารนะยังมีลักษณะอีกอันหนึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวเรียกว่าวิเศษลักษณะ ลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้เราแยกได้ว่าอันนี้คือจิตนะอันนี้คือโลภนี่โกรดนี่หลงนะมันมีลักษณะเฉพาะของมันเพราะฉะนั้นลักษณะก็มีสองอันนะลักษณะทั่วไปเรียกสามัญจะลักษณะคือไตรลักษณ์กับวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะตัวลักษณะก็มีสองอันอะไรนะตัวเหตุตัวปัจจัยสิตัวที่เราเรียน พอเราเห็นตัวเหตุตัวปัจจัยนี่คือตัวสภาวธรรมเพราะงั้นเราจะเรียนรู้ที่ตัวสภาวธรรมนะแล้วสภาวธรรมจะแสดงไตรลักษ์ให้ดูงั้นวิปัสสนาเนี่ยให้รู้ตัวรูปตัวนามตัวกายตัวใจจริงๆแล้วรูปนามกายใจเนี่ยจะแสดงไตรลักษ์ให้ดูแต่ตัวไตรลักษณ์น่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะตัวไตรลักษ์เที่ยงนะเขมไหม เมื่อล้านปีก่อนนะสิ่งที่เป็นสังขารก็เป็นใจรักนะล้านปีข้างหน้าสิ่งที่เป็นสังขารก็ยังเป็นใจรักเพราะตัวนี้เป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นธรรมนิยามเป็นกฎของธรรมชาติตัวนี้เที่ยงนะเพราะงั้นใจรักอะ่ะตัวมันไม่มีใจรักนะมีอันเดียวเราบังคับมันไม่ได้ฮะไม่เอาคนนี้ชอบคิด ไม่เอาดูกายดูใจไปจะเที่ยงจะไม่เที่ยงช่างมันนะอะไรนะทำไมคือสถึอาอิัปยยนเป็นรักษณ็นนาที่ส่้วไมคือสามั ญ, ญันเนี่ยตัวเดียวโดดโด ด, โ ด, ดนะก็เป็นใจรักแล้วนะอิทตัปยยาตามันสัมพันธ์กันใช่ไหมมันสายโซ่แค่โซ่ห่วงเดียวก็เป็นใจรักแล้ว เพราะงั้นเวลาทำวิปัสสนาเนี่ยนะไม่ใช่ไปนั่งดูตัวไม่เที่ยงนะตัวไม่เที่ยงไม่มีให้ดูนะเพราะงั้นต้องดูลงที่รูปนามกายใจแล้วรูปนามกายใจจะแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่เราแสดงหรือไม่ใช่ไตรลักษณ์แสดงอะไรนะเพะงั้นเราจะมารู้ไตรลักษณ์โดยว่างเปล่าไม่มีรูปนามรองรับไม่ได้ในวิปัสสนาท่านถึงสอนให้รู้ทุกนะท่านไม่ได้สอนให้รู้ไตรลักษณ์นะให้รู้ทุกคือให้รู้รูปนาม นะรูปนามก็แสดงความจริงความจริงของรูปนามคือมันเป็นใจลักณทําไมไม่ดูวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะทำไมให้มาดูใจลักษให้ดูสามัญใลักษณะนะเพราะว่าไม่ว่าตัวอะไรเกิดขึ้นนะก็จะมีค่าเท่ากันหมดเลยความสุขเกิดขึ้นก็ตกอยู่ใต้ไตรลักความทุกข์เกิดก็อยู่ใต้ไตรลักนั้นสภาวะธรรมทั้งปวงเลยเสมอภาคกันหมดเลยเนะนะมื่อจิตเห็นสภาวะธรรมทั้งปวงเสมอภาคกันจิตก็หมดการดิ้นรน จิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางรู้สภาวธรรมทั้งปวงด้วยกวามเป็นกลางตรงนี้เป็นประตูของการบรรลุมรรคผลเวลาที่เรารู้เนี่ยมันมีความเป็นกลางอบ้างแล้วก็มีบ้างอ้าใช่ใช่มันเป็นเราก็รู้นะไม่เป็นเราก็รู้ไปเวลาที่มันรู้สว่าไม่ไม่เก่นติดต่อกนรบปรมีคือเงี้เราก็ต้องเป็นกลางต่อความไม่เป็นกลางนี้ คุณแมวรู้สึกไหมเราไม่ชอบให้รู้ทันที่ความไม่ชอบนะไม่ต้องดูสภาวะอันอื่นแล้วให้รู้ลงปัจจุบันเลยปัจจุบันก็คือกำลังไม่ชอบอยู่ให้รู้ตัวนี้ตัวที่ใจเหล่านี้น่ะสดสดร้อนร้อนตัวนี้วันนี้นักปริยัติเยอะแฮ่ถามแบบปริยัติเยอะธรรมดาหลวงพ่อว่าจะไม่ลวมตัวคุยด้วยนะ <laughs> อา้าวคุณกวีพรว่าไงส่งกันบ้าน แต่เดิมมันก็ภาคแต่เราไม่เคยเห็นตอนนี้เราเห็นแล้วมันช่างภาคนี่มันภาคมากๆเราลำคาลลำคาญ ร, รู้ว่าลำคาญนะตัวนี้ไม่ตายอีกนานกว่าจะตายนานมากเลยเอ้าวคุณจูนว่าไง เออนะเราดูให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงดูให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกบังคับถ้าเราฝึกบังคับเนี่ยเราฝึกผิดแล้วนั่นมันฝึกสมถะละฝึกบังคับฝึกแก้ไขเพราะงั้นหัดดูไปเดี๋ยวธรรมะกขาสอนเราเองธรรมะคืออะไรที่จะสอนเรารูปธรรมคือกายนี่จะสอนเรานามธรรมคือใจจะสอนเราเพะงั้นธรรมะเรียนไม่ได้นะได้ ว, วิธีอื่น ใช่ใช่ใช่พอสักพักพอเริ่มลุกคอนเิมามันก็ถึงจะเห็นว่าคคิดถึงเรื่องมาจะเอคนไปมมาก็ดีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะได้แค่ไหนอ็แค่นั้นเเราคิดเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็เราก็จะยีเ่เราคิดโดยาเขาจะบอกว่าลงคิดคืออย่างแยกกันให้ออกนะ ตรงที่มันคิดคิดไปเนี่ยเหลอไ ป, ไปนะตรงที่รู้ว่าคิดเนี่ยรู้รพอรู้ว่าคิดเสร็จแล้วไอ้นักภาคถึงจะทํางานนั่นแหะจิตฟุ้งซ่านครั้งใหม่แล้วนั่นแหละหลงคิดครั้งใหม่อยู่นั่รู้รู้มันจบลงแค่การรู้นั่นแหละนะถัดจากนั้นจิตฟุ้งซ่านครั้งใหม่ล้ อ่าใช่เพราะฉะนั้นจะเกิดดับต่อกันไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเกิดดับขี่ยิบดูไม่ทันเวียนหัวแล้วนะทำความสงบคือบางทีพอเรารู้รู้ว่าเราคิดไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าอคิดขึ้นมาว่าเนี่ยเราเราเผลอไปแล้วนะอืเงี้ยชอบขชอบาขึ้นมากันเนี่ยที่จะา ม, มาบอกไงว่าตรงเผลอไปเผลอไปคิดนะจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าเผลอเนี่ยเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วอาจจะน่ะอกุศลตัวใหม่มันเกิด พวกหนึ่งคร่ำครวนถึงอดีตเมื่อกี้ใช้คํานี้เลยนะคร่ำครวนถึงอดีตโอ้หลงไปอีกแล้วแย่จังเลยนี่พวงนี้คร่ำครวนะพวกบรรยายอะ่ะอีกพวกหนึ่งห่วงอะนะกฏวิจะหลงอีกเพราะงั้นประคองไว้บงังคําไว้แล้วผิดครั้งใหม่ก็ไปอีกสองทางอะไม่เผลอก็เพ่งถามว่าแล้วที่ถูกมีไหมไม่มีหรอกไม่ต้องไปหาที่ถูกนะรู้ที่ผิดไปเรื่อยในสุดเราจะเกิดปัญญาปัญญาไม่ใช่รู้ที่ถูกนะ ปัญญาเห็นเลยทุกอย่างเกิดมาแล้วดับไปทั้งสิ้นเลยงั้นเรียนไอ้ที่ผิดนี่แหละมันสอนธรรมะเราะเห็นไหมจิตถ้าไม่เผลอไปก็เพ่งไม่เผลอไปก็เพ่งนะรู้สึกจะมีแวบเดียวแต่ก็ไม่ต้องหวงแหนมันรู้สึกแวบเดียวนี้ก็ไม่หวงมันะการที่เราเห็นว่าจิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบังคับไม่ได้ตัวนี้ต่างหากต้องการให้เห็นต้องการให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่าจิตใจเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาดี ฝึกให้เห็นความจริงอ้าวว่าไงว่าไงถ้าเราเราคิดเราก็คิดต่อต้องกระต่อสิไม่ง้เดี๋ยวเขาไล่ออกจากงานประเภทเขียนซอฟต์แวร์นะแล้วนิ้วสัมผัสคีย์บอร์ดสักว่ารู้เขาก็ไล่ออกแหละผิดหน้าที่แล้วเขาไม่จะจ้างให้ปฏิบัติ อาจชื่อ